ในกรณีที่ผู้ฟังยังไม่รู้ไม่เข้าใจและยังไม่มีความเชื่อในเรื่องใดๆก็ไม่ส่งชักจูงความเชื่อเป็นแต่ทรงสอนให้พิจารณาตัดสินเอาตามเหตุผลที่เข้าเห็นได้ด้วยตนเองเช่นในเรื่องความเชื่อทางจริยธรรมเกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้าก็มีความในตอนท้ายของกาลามสูตรคือสูตรเดียวกันนั้นว่ากาลามชนทั้งหลายอริยสาวกนั้นผู้มีจิตปราศจากเวรอย่างนี้ มีจิตปราศจากความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้ย่อมได้ประสบความอุ่นใจถึงสประการตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แล้วคือถ้าปารโรคมีจริงผลวิบากของกรรมที่ทำไวด้ดีทำไว้ชั่วมีจริงการที่ว่าเมื่อเราแตกกายทํหลายขันไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ นี้เป็นความอุ่นใจประการที่หนึ่งที่เขาได้รับก็ถ้าปรโลกไม่มีผลวิบากของกรรมที่ทำไว้ดีทำไว้ชั่วไม่มีเราก็ครองตนอยู่โดยไม่มีทุกข์ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขอยู่แต่ในชาติปัจจุบันนี้แล้วนี้เป็นความอุ่นใจประการที่สองที่เขาได้รับก็ถ้าเมื่อคนทาความชั่วก็เป็นอันทำไซเราไม่ได้คิดการชั่วร้ายต่อใค ร, ใคร ทุกที่ไหนจักมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทําบาปกรรมเล่านี้เป็นความอุ่นใจประการที่สที่เขาได้รับก็ถ้าเมื่อคนทําความชั่วก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันทําไสในกรณีนี้เราก็มองเห็นตนเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองด้านนี้เป็นความอุ่นใจประการที่สี่ที่เขาได้รับสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้นับถือหลัิศาสนาหรือหลักคําสอนใดๆ พระองค์จะตรัสธรรมเปน็นกลางๆงเป็นการเสนอแนะความจริงให้เขาคิดด้วยความปรารถนาดีเพื่อประโยชน์แก่ตัวเขาเองโดยไม่ต้องคำนึงว่าหลักธรรมนั้นเป็นของผู้ใดโดยให้เขาเป็นตัวของเขาเองไม่มีการชักจูงให้เขาเชื่อให้เขาเลื่อมใสต่อพระองค์หรือให้เข้ามาสู่อะไรสักอย่างที่อาจจะเรียกว่ า, าศาสนาของพระองค์พึงสังเกตด้วยว่าจะไม่ทรงอ้างพระองค์ หรืออำนาจเหนือธรรมชาติพิเศษอันใดเป็นเครื่องยืนยันคำสอนของพระองค์นอกจากเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ให้เขาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของเขาเองและพึงสังเกตด้วยว่าทรงสอนหลักการปฏิบัติพื้นพื้นที่เรียกว่าอปันนกตาความจริงความไม่ผิดความแน่นอนคือในเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปไม่รู้จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติก็ตาม หรือแม้แต่เรื่องสามัญที่ไม่รู้แน่ชัดพึงเลือกเอาการปฏิบัติที่ไม่พลาดแน่ๆไม่ต้องมัวคาดมัวเดาตัวอย่างดังเรื่องในอปนัญ ก, กชาดกว่าพวกกองเกวียนเดินทางผ่านทะเลสายต้องบรนทุกน้ำเป็นหนักมากระหว่างทางพวกหนึ่งเจอคนปลอมจะหลอกเอาเป็นเหยื่อบอกว่าไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะมีชุมชนใหญ่ มีแหล่งน้ำอุ ด, ดมสมบูรณ์น้ำที่บรรทุกมานี้หนักเปล่าเปล่าทิ้งไปเสเถิดก้อยไปออกข้างหน้าแถมแสดงหลักฐานเท็จให้ดูพวกกองเกวียนดีใจเอาตุ่มหายใส่น้ำทิ้งหมดแล้วเดินทางต่อไปอีกเท่าไรเท่าไรก็ไม่เจอน้ำจนอดตายหมดเป็นเหยื่อเข้าไปส่วนกองเกวียนอีกพวกหนึ่งโดนหลอกด้วยหลักฐานเท็จเหมือนกันแต่ถือหลักอปัรณกตาน้ว่า ถ้าไม่รู้จริงประจักษ์ก็ไม่ยอมตามตักกะหรือการคาดเดาเมื่ออันที่แน่แน่มีอยู่แล้วคือน้ําที่มันทุกมาในเกวียนนั่นแหละก็มันทุกไปจนกว่าจะเจอแหล่งน้ําที่ว่านั้นจริงก็เติมได้พวกที่ใช้ปัญญาและอะไรที่ประจักษ์ได้ก็ให้ประจักษ์ถือหลักอปันน ก, กตานี้ก็พากองเกวียนเดินทางไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพสําหรับเรื่องนามธรรมที่ลึกลงไปกว่านั้น ก็ดังเช่นเรื่องในอปัญกษสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญนาตซึ่งแสดงถึงการใช้หลักเลือกเอาที่ไม่พลาดไว้ก่อนหรือทำสิ่งที่ไม่พลาดเห็นชัดอยู่แน่แนแม้แต่ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมดังนี้พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกถึงหมู่บ้านพรามชื่อสาลาพวกพรามก็บดีชาวหมู่บ้านนี้ได้ทราบกิตติศัพท์ของพระองค์จึงพากันไปเฝ้าแสดงอาการต่างๆ ในฐานะอาคันตุกะที่ยังไม่ได้นับถือกันมีคำสนทนาดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าข้าบดีทั้งหลายพวกท่านมีศาสดาท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกใจซึ่งท่านทั้งหลายมีศรัทธาอย่างมีเหตุผลอยู่บ้างหรือไม่พ ร, รามข้าบดีตอบว่าไม่มีเลยท่านผู้เจริญพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อท่านทั้งหลาย ยังไม่ได้ศาสดาที่ถูกใจก็ควรจะถือปฏิบัติหลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนคืออปันนกธรรมดังต่อไปนี้ด้วยว่าอปันนกธรรมนี้เมื่อถือปฏิบัติถูกท่วนจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานหลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนนี้เป็นฉไฉนสมณพรามพวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบำเพ็ญทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไวด้ดีทำไว้ชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีปรรโลกไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีส่วนสมณพรามอีกพวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณพรามพวกนั้นทีเดียวว่า ทานที่ให้แล้วมีผลการบำเพ็ญทานมีผลการบูชามีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีทำไว้ชั่วมีโลกนี้มีปรโลกมีมานดามีบิดามีท่านทั้งหลายเห็นเป็นไฉนสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อกันไม่ใช่หรือพรหมามข้าบดีตอบว่าใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าในสมณพราหมณ์สองพวกนั้นพวกที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบำเพ็ญทานไม่มีผลสำหรับพวกนี้เป็นอันหวังสิ่งต่อไปนี้ได้คือพวกเขาจะละทิ้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอันเป็นกุศลธรรมทั้งสามอย่างเสียแล้วจะยึดถือประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ซึ่งเป็นอกุศลธรรมทั้งสามอย่างข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่มองเห็นโทษความสามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมและอานิสงส์ในเนคขมมะอันเป็นคุณฝ่ายสะอาดผ่องแผ้วของกุศลธรรมในเรื่องนั้นคนที่เป็นวินยูย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าปรโลกไม่มี ท่านผู้นี้เมื่อแตกกายทําลายขันไปก็ทําตนให้สวัสดีคือปลอดภัยได้แต่ถ้าประโรกมีท่านผู้นี้เมื่อแตกกายทํำลายขันก็จะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเอาเถิดถึงว่าให้ประโรกไม่มีจริงๆให้คําของท่านสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเป็นความจริงก็เถิดถึงกระนั้นบุคคลผู้นี้ ก็ถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันนี้เองว่าเป็นคนทุศีนมีมิจฉาทิฏฐิเป็นนัติกาวาทะก็ถ้าปาระโรคมีจริงบุคคลผู้นี้ก็เป็นอันได้แต่ข้อเสียหายทั้งสองด้านคือปัจจุบันก็ถูกวินยูชนติเตียนแต่กายทำลายขันไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุกติมินิบาตารคอีกด้วยสมณะพรามพวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิวา่า ความดับพบหมดสิ้นไม่มีส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งซึ่งมีวาทะมีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวว่าความดับพบหมดสิ้นมีอยู่ในเรื่องนั้นคนที่เป็นวินยูย่อมพิจารณาดังนี้ว่าที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับพบหมดสิ้นไม่มีนี้เราก็ไม่ได้เห็น แม้ที่ท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับพบหมดสิ้นมีอยู่จริงนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นอยู่จะกล่าวยึดเด็ดขาดลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จ ด, ดังนี้ย่อมไม่เป็นการสมควรแก่เราก็คําคของสมณะพราหมณที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับพบหมดสิ้นไม่มีเป็นความจริงการที่เราจะไปเกิดในหมู่เทพผู้ไม่มีรูป ผู้เป็นสัญญาใหม่สําเร็จด้วยสัญญาได้แม่นมั่นไม่พลาดก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าคําของพวกสมณะพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพบหมดสิ้นมีอยู่เป็นความจริงการที่เราจะปรินิพานได้ในปัจจุบันก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แลก็ทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพบหมดสิ้นไม่มีนี้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 อยู่ข้างจะไม่สยบหมกมุ่นอยู่ข้างจะไม่ถือค้างถือคาเขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ น, นิพิทาวิราคะนิรโรธแห่งพบทั้งหลายเป็นแทน